พระธรรมเทศนาแผ่นที่75กดบาลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดกุรัธานีแสดงธรรมในวันที่15มีนาคม2558มีชื่อเรื่องว่าพระหม่ต้องอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่15มีนาคมพุทธศักราช2558วันนี้พระในวัดของเรา31รูปลงมาชั้น23งดชั้น8ตามรายงานที่พระท่านเขียนมาให้หลวงพอ่อทราบแล้วก็องค์ที่ไม่สบายก็มี ป่วยนี่แหละพระก็ป่วยเป็นเหมือนกันนะเก็บใครได้ป่วยแล้วก็เมื่อวานพวกเราได้บวชพระไว้ในพระพุทธศาสนาสามโรคเมื่อวานพระบวชพระสามองค์ผู้ที่มาบวชก็มีอยู่แต่ผู้ที่บวชในพระพุทธศาสนา หลวงพ่อเองก็ได้คัดสรรพอสมควรในครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจ้าบวชรุ่นแรกรุ่นแรกๆ ก, ก็ไม่มีปัญหาแต่พอมาช่วงหลังๆบวชเข้ามาแล้วสร้างปัญหาเกิดขึ้นมายงเหิงวุ่นวาย พระผู้ที่เป็นอาจารย์ก็เห็นลูกน้องบริวารเห็นศรัทธาญาติโยมมาก็จะเอาบวชบวชนะเห็นมาบวชง่ายพวกนั้นก็เห็นมากกูบาอาจารย์ที่รักเคารพนับถือเลื่อมใสเป็นพี่พี่น้องๆอญาติโกัวติกาขอบวชพอบวชเข้ามาแล้วแต่นี้ จะบวชไปเรื่อยแบบลูกเป็ดไข่ไปเรื่อยแต่ไม่ดูไม่ได้ดูแลไม่ได้เลี้ยงดูปัญหาก็ตามมาแลหละทีนี้พอบวชเสร็จแล้วก็ไปเรื่อยพอพอพวกพระที่บวชมาเนี่ยก็ไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ไม่ได้ใหญ่กับพ่อกอกับครูแตนะ่ยพอใหญ่ขึ้นมาพอบวชเข้ามาแล้วก็ไป สามลำพังหาอยู่หากินไปเรื่อยกฎระเบียบวินัยก็ไม่มีไม่มีใครสอนเพราะเหตุหลายเพราะผู้ที่บวชให้แล้วก็ไปเลยไม่ได้สอนกิจที่ควรทํากิจที่ไม่ควรทำํำอาบัตหรือว่ากฎระเบียบที่พระพุทธเจ้าวางไว้อย่างไรไม่มีไม่มีครูบาอาจารย์สอนพอบวชแล้วก็ปล่อยปละละเลยตเนพระสงฆ์ ที่บวชมาใหม่ดอยู่ในฟอร์มสีสระล้นผ้าเหลืองมีเดท่นี้ไม่มีมรยาตพระก็สเปซสอกปะไม่มีครูบาอาจารย์เป็นผู้นำพอบีดไปบินธบาตวันไหนไม่มีอาหารฉันบินบัติไม่ได้เห็นชาวบ้านเขากำลังล้อมวงทานอาหารอยู่ในบ้านของเขา พระเนี่ยเดินเข้าไปชูบาตเข้าไปในกลางวงของเขาบวกขออาหารด้วยเรากูบาไม่มีอาหารจะฉันลักษณะอย่างนั้นแต่นี้กิริยามารยาทของพระในในช่วงนั้นอจนคนทั้งหลายเอื่อมละอาศร้ายญาติโยมชาวบ้านเขาเอื่อมละอาแต่นี้พระผู้มีฮิริโอตปะ ทั้งหลายที่พระเป็นผู้บวชมาเป็นมีกฎเกณฑ์แ้ทำไมพระทำไมจึงเป็นอย่างนี้ก็โจ์ขานกันไปเรื่อยๆอแต่นี่พอสืบทราบลรวว่าอือพระที่เขามาบวชเนี่ยไม่มีอาจารย์พระอุปชาบวชเสร็จแล้วก็ไม่มีอาจารย์ผู้แนะนำสั่งสอนอันไหนผิดควรวินัยหลักวิทันเป็นยังไง กิริยามานุญาตเป็นยังไงแล้วก็ไม่มีใครรับรองอยู่ด้วยเพราะบวชใหม่ก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์เลี้ยงดูเหมือนกับเด็กที่เกิดมาใหม่ต้องอาศัยแม่อาศัยพี่เลี้ยงถึงจะแม่ตายก็ต้องอาศั ย, ศยพี่เลี้ยงถ้าพ่อแม่บวชให้กับพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงดูเกิดกับพ่อแม่แล้วแม่ก็ต้องเลี้ยงดูลูก ถ้าหาว่าแม่ไม่อยู่ก็มอบให้พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงก็ต้องดูอย่างพระอุปชาเนี่ยคือพ่อพ่อคือผู้บวชให้แต่งครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์อุปชาก็มอบให้หมอบให้เป็นอาจารย์อาจารย์ก็ต้องดูแลลูกศิษย์สอนวิธีการครับ พระธรรมวินัยให้ในแหละอันนี้ก็คือความเป็นมาแต่นี้พระสงฆ์ทั้งหลายเขาก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าเพราะศรัทธาญาติโยมเขาตําหนิติฉินนินทาเพราะพระไม่อยู่ในเกาะไม่อยู่ในลหลักพระธรรมวินัยไปที่ไหนเดินไปที่ไหนขอดะไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะไม่ได้ศึกษาไม่ได้อยู่ ไม่ได้เกิดกับพ่อกอกับครูอย่างที่ว่านะตอนี้พระสงฆ์ก็ไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ค้นหาสาเหตุเปลี่ยนเพราะอะไรก็เพราะว่าพระบวชเข้ามาแล้วไม่มีไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยเพราะครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนบวชเข้ามาแล้วก็ปล่อยบวชแล้วก็ปล่อยบวชปล่อยพระองค์ก็บัญญัติวินยัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พระอุปชาบวชกุลบุตรแล้วกุลบุตรต้องอยู่กับพระอุปชาอยู่กับพระอาจารย์อย่างน้อยต้องห้าปีถ้าหากว่าไม่อยู่กับอุปชาแล้วอาจารย์ไม่ข อ, อนิสัยปรับอวบธุ ก, กฎอาจารย์เหมือนกับเสมือนกับพ่ออุปชาเหมือนกับพ่อให้ความเลี้ยงดู เวลาลูกศิษย์เจ็บไข้ได้ป่วยอาจารย์ต้องดูแลดูแลเหมือนกับนี่แหละซักผ้าให้อาบน้ําให้หาอาหารมาให้ปนิบัติอาจารย์อาจารย์เห็ปนปฏิบัติลูกศิษย์เพราะขนาดลูกศิษย์ป่วยแต่ถ้าขณะอาจารย์ป่วยลูกศิษย์เรียกวอาจารย์ไม่ป่วยลูกศิษย์ก็ต้องดูแลอุปถัมภ์ประถากอาจารยา์ดูแลอาจารย์ เหมือนกับดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้องให้ความเคารพเหมือนพ่อแม่แต่เมื่อลูกศิษย์เจ็บไข้ได้อ่วยอาจารย์ต้องดูแลลูกศิษย์ถ้าไม่ดูแลลูกศิษย์ปรับเอาบททุกกฎอันนี้จะว่าสัทิทิงวิหาริกวัตอันเตวาริกวัตคืออุปชากับลูกศิษย์หรืออาจารย์กับลูกศิษย์อาจารย์ว่าอุปชั ย, ยวั อาจารย์ยวัตอันนี้ ค, คือความเป็นมาของวินยัยถ้าเราศึกษาในหลักพระวินัยดูแล้วโอ้มีกฎมีระเบียบมีกฎเกณฑ์นะจากนั้นพระอุปชา <c oughs> ครูบา <c oughs> ครูบาอาจารย์ก็ต้องสอนอแต่ว่ามีอย่างหนึ่งนะ <c oughs> น่าคิดกลุ่ระบุ ท, ที่มาเป็นนาคมาเป็นนาคท่านไม่ให้สอนวินัยก่อน ทำไมให้สอนกฎระเบียบยังไม่ให้สอนนะเรื่องศีลหรือวินัยเนี่ยกฎระเบียบนะยังไม่ให้สอนมีแต่ให้สอนกิริยามารยาทอย่างอื่นแต่กฎวินยัยวินยัยไม่ให้สอนนะเพราะว่าผู้เข้ามาบวชในครั้งคนก่อนพอมาถึงอาจารย์ก็สอนวินัยให้เลยเปาราชิกสีสังคาทิเศตสิบสามอนิยตสองนีกีรยปาจิตตีสามสิบ สอนให้ฟังพระวินัยลูกกุลบุตรพอได้ฟังวินัยนะท้อใจโอ้ยผมไม่บวชหรอกผมคงรักษาไม่ได้อผลที่สูงเลยไม่มีใครบวชพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าพึ่งสอนวินัยสอนแต่กฎระเบียบพื้นฐานไปก่อนเมื่อบวชเข้ามาแล้วจึงสอนวินัยอ อ, อันนี้ก็คือถ้าพิกษุใดก็ตามสอนวินัยก่อนบวชปรับเอาบททุกกฎนะ อย่างนั้นไปอีกนะเนี่ยมันมีหลายหลายแนวล้วเกินนะั่นเชิงในหลักในหลักพระธรรมวินัยอาจากนั้นเมื่อบวชก็มาแล้วอุปชาก็สอนธรรมสอนธรรมคือแนวความคิดสมาธิธรรมให้กรรมาฐานหาเกษาโลมานาฆาทันตาตาโจดเกสาผมเกโลมาข น, นะคาเล็บทันตาฟันตาโจหนังเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นของไม่จิรังถาวณ น, นะ ถ้าไม่ดูแลรักษาในสกรปรกปฏิโกณได้ง่ายอันนี้ประชาสอนสอนธรรมแต่อาจารย์เนี่ยสอนวินัยเมื่อบวชเข้ามาแล้วต้องอยู่ในขอบขอบอหลักพระธรรมวินัยนะอะนิสัยสีลอรณีอกรณียกิจกิจที่ควรทําและกิจที่ไม่ควรทําของพระต้องปฏิบัติตนหลังตั้งต่อไปนี้เนะนี่ยเมื่อวานหลวงพ่อ ท, ที่เป็นอาจารย์หลวงพ่อก็สอน สอนกิจที่ควรทำและกิจที่ไม่ควรทำเป็นเบื้องต้นใครข่าว่าหญ้าปากคอกแต่อาบัดหนักอาบัดหนักโทษโทษประหารเราก็ควรจะสอนให้พระลูกผ้าหลานที่บวชเข้ามาใหม่ให้รับรู้รับทราบอันนี้โทษประหารนะอันนี้ลองจะโรษโทษประหารนะไม่ควรทำเนี่ยอันนี้ก็คืออาจารย์ต้องสอน เมื่อสอนนั่นก็คือหน้าที่จากนั้นก็ดูแลดูแลกุลระบุตให้อยู่ในนิสัยเรียกว่าอาจาริโยเมพันเตโหหิขอท่านอาจารย์จงเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าเนะี่ยเอบไก่ฟอภาระของท่านอาจารย์มีอะไรผมจะเป็นผู้รับใช้เป็นผู้รับดูแลนะอันนี้ก็คือขอนิสัยถ้าว่ายังไม่ถึง5ปี ท่าน ต, ต้องขออนิสัยถ้าเกินห้าปีไปแล้วว่านิสัยมุตตะะพ้นนิสัยนี่แหละอันนี้ก็คือพระวินัยของพระพุทธเจ้านะคณะาทศไยญาติโยมลูกหลานพระเนทุกวง น, นะให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษากฎรละเบียบวินยัยถ้าพระสงฆ์อยู่ในกฎในระเบียบวินัยแล้วดูแล้วมันสวยงามศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใด ศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นเมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วทำและวินัยนั่นและจะเป็นศาสดาของพวกเธอท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าไม่ได้มอบให้เมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วนะใหพ้พระอา น, นนะุน่ะเป็นให้พวกท่านทั้งหลายเคารพพระอา น, นุ์ต่อไปนะเมื่อพระอา น, นออุนประเรณีผ่านเออไอองค์นั้นเป็นผู้ดูแล แทนเรานะพระพุทธศาสนาไม่ได้ทาญาตนะิอย่างนั้นพระพุทธศาสนาะพระพุทธเจ้าท่านวางไว้ว่าธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสนาของพวกท่านทั้งหลายเมื่อธรรมและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบน้นคือศาสนาะคือคือทำคำสอนคำทำคำสอนคือศาสนาะ ถ้าว่ามีมันมีพระวินัยอยู่มีกฎระเบียบอยูอ่ก็ต้องมีาทาคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพระเนรลูกหลานทุกองค์ต้องอยู่ในเกราะหลักพระธรรมวินยัย เ, เมื่อเราเป็นฆราวาส เ, เมื่อเรายังไม่บวชเราเห็นพระโตโตเตโตออกนอกตรูนอกทางเราก็คิดตำหนิเขานะ คิดตาําหนิเอ้ยพระทําไมไม่อยู่ในหลักพระทำทว่ไหนไม่อยู่ในกรอบอย่างนี้เล ย, เยแต่พอตัวเองเข้ามาบวชเท่านั้นนะบางทีเผลอถลําเข้าไปเลวกว่าที่เราเห็นนั้นใช่อีกก็เคยมีนะหลวงพ่อเคยเห็นลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยแหละอสมไมเป็นคราวา่ตาตําหนิพระอย่า ง, งน้ตนตําหนิพระอย่างนี้แต่พอเองตัวเองบวชเข้ามานะ่ะ สิ่งที่ไม่เคยไม่น่าจะทำก็ทำหลวงพ่อก็แปลกใจอีกเหมือนกันในฐานะที่เป็นอาจารย์สมัยเมื่อเป็นครวญตํา น, นิพระแต่ตัวเองพอบวชเข้ามาแล้วทำไมทำอย่างนี้วหะหลวงพ่อคือนองมองๆนะพอหลวงพ่อก็ยังยังพอจำได้อยู่ใช่หัหยที่เขาพูดยังไงเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะ แต่ถึงยังไงก็ตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนอย่างไรบอกกล่าวอย่างไรให้พวกเรานํำทำคําสอนเล้กปฏิบัติตามนั้นแหละถ้าอยู่อยู่ตามข้ออยู่ตามพ่อก่อตามครูไปตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปฏิบัติตแล้วนะสวยงามเอเหมาะสมถูกต้องเป็นธรรม แต่ถึงยังไงก็ตามเราก็ให้ศึกษาเรื่องทำทำคำสอนรุกวิ น, นัยเราไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์ทำยังไงปฏิบัติยังไงเราก็ทำไปตามบางทีเราอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ในจุดนั้นเราก็ต้องศึกษาในพระวินัยอีกเพราะตารามีอยู่แล้วเรื่องศีลและวินัยเนี่พรเราเราต้องศึกษาในเมื่อศึกษาแล้วออจุดนี้ถ้าสงสัยเราก็ต้องถามครูบาอาจารย์ ผู้บรรจาร์ท่านตอบไม่ได้นะท่านตอบไม่ได้ท่านก็ต้องเอามาเอามาศึกษาดูสิกษาบทไหนเป็นยังไงถ้าเมื่อท่านได้ศึกษาดูแล้วนะท่านก็จะได้พูดได้แนะนำบอกกล่าวได้เพราะนั้นบางทีบางสิ่งบางอย่างเรื่องกฎฟิตกฎและวินัยเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับผู้ใดใครผู้หนึ่งนะอยู่ในเนี่ยนะ อยู่ในหลักอยู่ในความถูกต้อง่นะนะเะพราะนั้นครูบ า, าอาจารย์อย่างหลวงพ่อเนี่ยถึงจะอยู่ขนาดนี้ก็เถิดบางทีหลวงพ่อก็ยังสงสัยสิกขาบทไหนวิ น, นัยตรงไหนหลวงพ่อก็พยายามดูนะศึกษาน ะ, ะแต่หลวงพ่อเนี่ยเคยอ่านหนังสือมามากพอสมควรแต่หลวงพ่อจะอ่านทุกวันเนี่ยอ่านนี่แนะพระไตรปิฎกสำหรับประชาชนอของ วัดบวรที่ท่านพิมพ์ออกมาอันนี้ท่านย่นย่อย่นย่ อ, ย อ, ยอเรื่องหลักพระธรรมวินยัยเอาแต่ใจความเราอ่านมามากแล้วแต่นี้เรามีจะ ท, ท, ทบทวนความจําก็คงี่อ่านแต่เฉพาะเฉพาะที่ว่าตัวที่สั้นๆเข้าใจเข้าใจเข้าใจให้เพราะเราได้อ่านเรื่องวินัยที่อธิบายยืดยาวมาแล้ว แต่เมื่อมาอ่านตัวนี้เข้าไปก่อนแนละ้วทบทวนความจําของตนเองได้อีกเพราะนั้นเรื่องวินยัยเราจะปล่อยปละละเลยไม่ได้เหมือนกฎหมายนะนะั่นแหะพี่น้องจะศรัทธายาโยมภาษากฎหมายภาษาวินยัย ค, คล้ายๆกันนละเอียดถี่ถ้วนในการดูแลปกครองพระสงฆ์ถ้าหาว่าพระสงฆ์อยู่ในหลักพรวัรมวินัยนะก็ไม่มีอะไรน่าเคารพนับถือเรื่อมใส่ไม่มีปัญหา ถ้าออกนอกดูนอกทางนั่นนะโลกโหโมกณนะอันนั้นปัญหาเกิดปัญหาตามมามากมายเลยทีนี้แต่ถ้าว่าอยู่ตาเนรักพระธรรมวินัยแล้วดูๆแล้วมันไม่มากการเดินการไปการมามีกิริยามารยาทในการเป็นอยู่สำรวมกายวาจาใ ห, ให้เรียบร้อย หรืปัจจัยสที่ได้มาก็ได้มาโดยเป็นธรรมเลยใช้ใจ่ายโดยเป็นธรรมเก็บไว้เพื่ออะไรใช้ใจ่ายโดยเหตุอันใดถูกต้องไหมเป็นธรรมไหมสิ่งเหล่านี้ก่มันต้องได้คิดทั้งหมดพอเราอยู่ในชุมชนสังคมถ้าเราอยู่ตามลําพังอยู่องค์เดียวไม่มีปัญหาอยู่ยังไงก็ได้อยู่องค์เดียวถ้าอยู่กับพระเนมมากๆ ศรัทธาญาติโยมก็มาเกี่ยวข้องเหล่านี้มันก็ต้องได้คิดอีกเหมือนกันการจะอยู่ยังไงบริหารยังไงดูแลพระเนรลูกหลานคณะศรัทธาญาติโยมอย่างไรสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องได้คิดอีกเหมือนกันพะพผลนั้ น, ม, น ม, มันมีทั้งทางโลกไหมมันมีทันะ้งทางธรรมอ่ะแต่ว่าถึงยังไงก็อยู่ในกรอบอยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินยัย แต่ถ้าออกนอกลู่นอกทางแล้วก็หน้าตำหนิอีกเหมือนกันนะพระไม่อยู่ในสินในวินยนะัยพรนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวง เ, เหล่านี้นะแต่ถึงยังไงก็ตามขอตั ก, กล่าวย้าเตือนถ้าเราไม่รู้จริงนะถ้าเราไม่รู้จริงเราให้นิ่งไว้ก่อน อ, อย่าไปพึ่งวิจาาณอย่าไปพึ่งตำหนิเว้นเสียจิตจุดนั้นมันเป็นจุดที่เสียหาย เเราก็ต้องพูดต้องช่วยกันประนามต้องช่วยกันพูดแก้ไขให้มันดีขึ้นแต่ช่วงไหนอันไหนที่เรายังไม่มั่นใจผิดหรือไม่ผิดอบางเผอเผ อ, เ, อเรายังไม่ได้ศึกษาในวิทย์ในอีกต่างหากเร า, เราเราออกมาพูด เ, เลยก็ไม่ได้บางทีกฎหมายก็ส่วนหนึ่งนะวิทย์ในก็ส่วนหนึ่งอีกแต่ตามไม่จริงวิัย์ในและกฎหมายมันก็ไปด้วยกันนั่นแหละแต่ว่า บางสิ่งบางอย่างก็ต้องเอามาประกบกันดูเอามาวิเคราะห์กันดูอีกถ้ามันเข้าถ้ามันเข้ากันไม่ได้เพราะเหตุใดบางทีวิัยอาจจะล้าล้าหลังไปกฎหมายมันอาจจะล้ําหน้าไปหรือว่าวิทย์ในของเราเนี่ยอาจจะตัดลึกต้นตอแต่กฎหมายเนี่ยเอาปลายเหตุสิ่งเหล่านี้แหละ ถ้าพวกเราใช้สติใช้ปัญญาใช้ความเมตตาหรือใช้หันหน้าเข้าหากันปรึกษาปรัรบกันหลวงพ่อว่ามันดีทั้งนั้นแหละถ้าหันหลังพูดกัน่ะไม่ดีหลวงพ่อว่านะถ้าหันหลังพูดกันไม่ดีถ้าหันหน้าพูดกันหาทางออกด้วยกันปรึกษาปรัรบกันตัวไหนผิดตัวไหนถูกควรไม่ควรมันมีทางออกทั้งนั้นแหละโลกนี่ เนี่ยถ้าว่าไม่หันหน้าก็าหากันมีแต่หาเลเ่หเลี่ยมหาชั้นเชิงหาข้อผิดหาข้อตําหนิต่างคนก็ต่างจะหักล้างกันจุดนั้นไม่มีที่สิ้นสุดละเวรจะระงับได้ด้วยการไม่จองเวรเวรจะระงับไม่ได้ถ้าหาว่ามีการจองเวรกันอยู่มันมีไม่มีที่สิ้นสุดถ้ามีการจองเวรกันอยู่ เวรจะระงับลงได้ถ้าว่าพวกเราช่วยกันหาทางออกระงับมันอะ ต, ตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแนวหนึ่งสำหรับพวกเราผู้ที่เข้ามาฟังเพื่อศึกษาเรียนรู้ในกฎระเบียบธรรมวินัยนะ